แนะนำบทอัลอิสรออบทอัลอิสรออเป็นบทมักกียะมี 111 องค์การที่ได้ประมวลไว้ด้วยเรื่องของอะกีดะเรื่องราวต่างๆที่มีอยู่ในบทนี้มีส่วนคล้ายคลึงกับเรื่องราวของบทมักกียะทั้งหลายที่ได้ความสนใจต่อหลักการของศาสนาโดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวกับความเป็นเอกภาพ การเผยแพร่ศาสนาอิสลามและการฟื้นคืนชีพแต่ภาพหลักที่เด่นของบทนี้คือลักษณะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและปาฏิหาริย์ต่างๆและหลักฐานที่แสดงถึงความสัจจะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนี้ได้กล่าวถึงปาฏิหาริย์การเดินทางในเวลากลางคืนของท่านนบีและรอซูลคนสุดท้าย และเป็นสัญลักษณ์อันชัดแจ้งที่บ่งถึงอานุภาพของอัลเลาะห์และได้กล่าวถึงวงวานของอิสราเอลและสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงกําหนดให้พวกเขาต้องระเหเร่ร่อนไปในแผ่นดินถึงแล 2 ครั้งทั้งนี้เพราะความดื้อดึงก่อความเสียหายและการฝ่าฝืนของพวกเขาต่อพระบัญชาของอัลเลาะห์ผู้ทรงสูงสุดบทนี้ได้กล่าวถึงสัญญาณต่างๆแห่งจักรวาล ที่บ่งชี้ถึงความยิ่งใหญ่และความเป็นเอกภาพและได้กล่าวถึงระบบอันละเอียดอ่อนที่ควบคุมเวลาทั้งคืนและกลางวันเพื่อให้ดําเนินไปอย่างสอดคล้องกับปฏเกณฑ์อันแน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงบทนี้ได้กล่าวถึงมรรยาททางสังคมและมรรยาทอันดีงามโดยสนับสนุนและเรียกร้องให้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อจะให้มีขึ้นซึ่งสังคมตัวอย่างที่ดีและได้กล่าวถึงการหลงผิดของพวกบูชาจเวตโดยอุปโลกภาคีและพระบุตรให้แก่อัลเลาะห์เป็นที่น่าประหลาดใจยิ่งสําหรับการกระทําของพวกเขาทั้งที่พวกเขาเกลียดลูกผู้หญิงแต่พวกเขาก็อุปโลกมันให้แก่พระผู้ทรงสูงทรงและทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงบริสุทธิ์ จากการเปรียบเทียบและการมีภาคีบทนี้ได้กล่าวถึงการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนซึ่งได้มีการโต้เถียงกันมากในเรื่องนี้พร้อมได้นําหลักฐานมายืนยันถึงความเป็นไปได้และได้กล่าวถึงเรื่องคัมภีร์อัลกุรอานสิ่งปฏิหาริย์ของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและกล่าวถึงการดื้อรั้นของพวกบูชาจารย์ ในข้อเสนอแนะของพวกเขาโดยเรียกร้องขอสิ่งปาฏิหาริย์อื่นจากอัลกุรอานเช่นขอให้มีแม่น้ําลําธารในนครมักกะฮ์มีเรื่องสวนร่มรื่นเขียวชอุ่มบทนี้จบลงด้วยการให้ความบริสุทธิ์แก่อัลเลาะห์จากการตั้งภาคีและพระบุตรและลักษณะที่บกพร่องบทนี้มีชื่อว่าบท อัลอิสรออเพราะสิ่งปาฏิหาริย์อันน่าทึ่งคือปาฏิหาริย์การเดินทางในเวลากลางคืนซึ่งอัลเลาะห์ทรงให้มีขึ้นโดยเฉพาะแก่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ مَحَابอลสุท ผู้ส่งนำข่าวของพระองค์เดินทางในเวลากลางคืน ຈາກມສິດອັດຮາຣອມໄປຍັງມສິດອັນອັກສໍຊຶ່ງບໍລິເວນຮອບມັນນັ້ນເຮົາໄດ້ຄວາມຈໍາເລີນເພື່ອເຮົາຈະໃຫ້ເຂົາເຫັນບາງຢ່າງຈາກສັນຍານຕ່າງໆຂອງເຮົາແທ້ຈິງພະໂລງຄີຜູ້ສົງໄດ້ຍິນຜູ້ສົງເຫັນວະອາຕາຍນາມູສັນກິຕາບວະຈະອະລນຫູດາບນບນອສຣາອີລາອັນຕັດທະຂຸດມິນດູນີວະກີລາ และเราได้ประทานคัมภีร์ให้แก่มูซาและเราได้มันเป็นทางนําแก่วงวานของอิสราเอลว่าอย่าได้ยึดถือผู้ใดอื่นจากข้าเป็นผู้คุ้มครองเป็นอันข้าดุริยัตมันฮัมัลนามาอ์นูห์อินนะฮูกานอับดันชุกูร่าโอ้บ่าวพันธุ์ของผู้ที่เราได้บรรทุกไว้ในเรือกับมูห์เอ๋ยแท้จริงเขาเป็นบ่าวผู้กตัญญู وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب تنبسدون في الاقدم مرتين ولتعلمن علوا كبيرا لقد را ได้แจ้งแก่วงวานของอิสราเอลในคัมภีว่าพวกเจ้าจะก่อความเสียหายในแผ่นดิน 2 ครั้งและแน่นอนพวกเจ้าจะยะโสโอหังยิ่ง لَئِنْ جَاءَ وَعْدُ أُولَٰهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تَجَسَّسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ดังนั้นเมื่อสัญญาณหนึ่งใน 2 ครั้งได้มาถึงเราได้ แล้วพวกเขาได้บุกเข้าค้นตามบ้านเรือนแล้วมันเป็นสัญญาที่ได้เกิดขึ้นแล้วซุมรัดดัดนาละกุมุลกัรตะอะลัยฮิมวะอัมดัดนากุมบิอัมวาลิวะบะนีวะจอัลนากุมอักษะรฟีรแล้วเราได้ให้พวกเจ้ากลับเข้ามามีอำนาจเหนือพวกเขาแล้วเราได้ทําให้พวกเขามีทรัพย์สินและบุตรหลาน lao dai tham hai phuak chao mi phrai phon mak mai in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asantum falaha fa idha jaa wa'du al-akhirati yasuu juuhakum wa yadkhulu al-masjida kama dakhaluuhu awwala marratin wa liyatabbaru ma 'alimu tatbira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 และเพื่อทำลายสิ่งที่พวกเขาได้รับชัยชนะอย่างหมดสิ้นอัสร็อบบุกุมอัยยัรฮัมุกุมวะอินอุดตุมอุดนาวะจอัลนาจะฮันนะมะลิลกาฟิรีนฮันซีรอวางว่าพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าจะทรงเมตตาแก่พวกเจ้าและหาพวกเจ้ากลับเข้ามาก่อกวนอีกเราก็โต้กลับ แล้วเราได้นรกเป็นที่คุมขังสําหรับผู้ปฏิเสธศรัทธาอินนาฮาซัลกุรอานยะฮดีลิลลตีฮียอักวามวะยุบชิรุล มูมินีนัลladีน ยะอ์มะลูนัศอลิฮาตอันละฮุมอัจรอนกะบีรถ้าจริงอัลกุรอานนี้จะนําไปสู่ทางที่เที่ยงตรงยิ่งและแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาที่ประกอบความดีทั้งหลายว่า سَارَ لِأَخِيهِ وَلَكِنْ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَتَأْتِي بَنَدَا الْقَوْمِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُو الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ سَنَعْجُلَا لَمَنُوسٌ نَجْوِينُ وَنْخَوَرُ خَوَامِشُ وَنْخَوَرُ خَوَامِشُ لَمَنُوسٌ نَجْوِينُ وَنْخَوَرُ خَوَامِشُ لَهَارِمُ بَصِيرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا رَأَيْنَا لَهُمْ فِي كِلَالِ الْكُهْرِ وَالْكَرَمِ وَنَجْمًا เราได้ทําสัญญาณของกลางวันมีแสงสว่างเพื่อพวกเจ้าจะได้แสวงหาความโปรดปรานจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าและเพื่อพวกเจ้าจะได้รู้จํานวนปีทั้งหลายและการครุ่นวนและทุกสิ่งเราได้แจกแจงมันอย่างละเอียดแล้วว่ากุลอินซานอัลซัมนาฮูตออิรอนฟีอุนุกิฮิ ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا لمن كلننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن พอเพียงแก่ตัวของเจ้าแล้ววันนี้ที่จะเป็นผู้ชําระบัญชีของตัวเจ้าเองมีแนะตะดา ف انما يهتدي لنفسه ومن ضل ف انما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ผู้ใดได้พบทางนําที่ถูกต้อง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 ففسقوا فيها فحق عليها القعود فدمرناها تدميرا لما เราปรารถนาที่จะทําลายหมู่บ้านใดเราได้บัญชาให้พวกฝุ่นฝวยของมันและพวกเขาก็ฝ่าฝืนฉะนั้นพระธรรมราชการลงโทษสมควรแก่มันแล้วฉะนั้นเราจะได้ทําลายมันให้พินาศ